något med att få kvar to arhat to samma samfundet något med att Suranang katchami saranang sarunang katchami saranang at sami sangang saranang katchami sanang saran sami puttiyampi putang saranang Saranam kachami. Tuti yampi tamang. Saranam kachami. Tuti hamang. Saranam kachami. Tuti yampi sangham. Saranam kachami. Tuti yampi kuthang. Saranam kachami. Utham saranam kachami Ta diampi thamang serenang kacami Ta diampi hambang serenang, serenang kacami Ta diampi sangkang serenang kacami Ta diampi sangkang serenang kacami sarana kemenang nit จะเริ่มทำทุกคนเจริญธรรมทุกคนอ่าวันนี้เรา พยายามที่จะพูดถึง เฮยรูว่านิยมนี่คือลัทธิ นะถ้าเข้าใจว่าบุญไม่ชัด <try> ตรงแท้กับความหมายของคําว่าบุญทําบุญเนี่ยต้องถูกต้องตรงแท้กับคําว่าบุญความหมายของคําว่าบุญขอยืนยันว่าเป็นโลกุตระสมาธิค่ะนะคําว่าบุญเนี่ยเป็นความหมายทางโลกุตระไม่ได้หมายความถึงโลกียะที่ Tipen är ju, tuppajnen. ti, räddare kan vi säga. Munja, med munus tam. เนือกว่ากุוףศลโรคียะ blockchain ปันเป็ดอุตรีมนุษย์ทัมชัดชัดก็คือคุณธรรมหรือคุณความดีที่ถึงขั้นสามารถช orbitกิ Legs ออกได้สามารถจะชม product กิ гр Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing Swing เข้าขั้นเกิดคุณวิเศษอะ Uttari, sa så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, så, ta kamma bön och då måste du kua kamma ba. Tja, det måste du göra för att få en tydlig och klar förståelse. Om du inte gör det, kan du inte bli en sammanhittig. Om du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 อุดรคณนาธิการอ่าชื่อเดิมท่านวัชริทธิ์ชวินสคํากับรส ดร. จำลองสารพัดนึกน่ะเป็นฉบับที่ใช้กันแพร่หลายอยู่พจนานุกรมนี้ฉบับนี้ท่านให้คําแปลไว้ว่าบุญญะ เอาล่ะคํานี้มันไม่ผิดนะก็ตกลงบุญยะแปลว่าบุญนะว่าความผ่องแผ้วแห่งดวงจิต ความดีมันก็ใช้ได้ที่จริงความสุขแต่มันก็มันไม่ขมมันไม่ชัดทีเดียวหรือว่าความดีเนี่ยยิ่งมันก็ชัดทีเดียวแน่นอนมันเป็นความสุขมันเป็นความดีชั้นพิเศษ ความดีมันเป็นความดี นี่การทําดีตามหลักคําสอนในศาสนานี่ความดีหรือคุณงามความดีหรือคําว่าดีเนี่ยนะคนใจบุญว่างั้นนะก็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 เพราะว่ามีความหมายต่างๆอย่างที่เดี๋ยวก็อธิบายไปก็เคยพูดมาแล้วแล้วเดี๋ยวฟังต่อๆไป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 กฎส่วนใหญ่ก็ไปยึดเอาคําว่าความดีเนี่ยเป็นหลักกว้าง มันหมายถึงคําความดีมันก็หมาย พอแปลเป็นไทยความดีเหมือนกันบอกว่าบุญกับความดีกุศลกับความดีมันถึงกุศลนี่ไป ฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีความหมายที่จะพาไปถึงนิพพานนะมันก็ไม่ไม่ไปถึงเพราะงั้นก็เลยกลงทิศกันอยู่ที่แค่คําว่าความดีบุญนี่เป็นความดีหนักเข้าก็ไปหมาย คนโอ้คนนี้เนี่ยรวยลาภรวยยศบริบูรณ์ได้ อันหนึ่งกุศลเป็นโลกิยะบุญเป็นโลกุตระมันก็เลยไม่แยกไม่ชัดมันก็วนวนอยู่ใน ความหมายของไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นตรงกันข้ามกับว่าน่าได้น่ามีน่า คนออกจากวงเก่านะกุศลเนี่ยมันไม่ไม่ได้ปรุงคนออกจากวงเก่าเป็นเชิงซ้อนหลุดคนออกไปเป็นเป็นวงใหม่กุศลจึงไม่มีความสูงขึ้นได้ตะวนไว้วงมาได้ได้นามีนาเป็นไม่ได้ไม่น่าได้ไม่น่ามี han kunde inte ha tagit en kund, han kunde inte ha tagit en kund, han en kund, han en kund, han kunde inte ha tagit en kund, han inte ha tagit en kund, han kunde inte ha en kund, han inte en inte Kåsa samati, åsa samati, kåsa nidrott. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Kåsa nidrott, åsa nidrott. Man kan inte ha en bra jobb. Vång dem, poom dem, tandem, malay. inte ha en bra jobb. Man kan inte ha en bra jobb. Man kan inte ha en bra sådant, Tiengmi Laktan, Timiya Tienggyunjan, Dai, Amma Gyunjan, och Tibai Dai var, kan komma till Maiden, komma Chan, Lokutra, det är sådant, det är sådant, det är sådant, är är det är så, när jag är barn, så är det så att jag att jag är barn, så det så att jag är barn, så det så att jag är barn, är det så att jag är är กุศลนั้นก็คือได้มันถึงจะพาไปเป็นความดีที่ๆก็คือว่าคําว่าบุญเนี่ยนะ กุศลมันไม่ใช่สิ่งที่จะได้จะมีจะเป็นแต่เป็นสิ่ง จบทํางานสําเร็จก็จบจบอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่ต้องใช้อีกมีเสีย är man buddhist eller man är en praharan, så är det är inte något man behöver Det är en sak som är väldigt lätt att förstå. Det är en sak som är väldigt lätt att förstå. Det är en sak som är väldigt lätt att Det är en sak som är väldigt lätt att แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเพราะงั้นในคําสําคัญคําว่าบุญนี้เอาไปใช้บรรยายในตรงนั้นตรงนี้ นะเมื่อปฏิบัติสมาธิทิฏฐิถูกแล้วนี่จะมีส่วนแห่งบุญได้ไปตามลําดับแม้ว่ายังไม่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 จึงเข้าใจไม่ถึงเออยังเข้าตาแต่นี่ตายไปเป็นโลกีย์ก็หมายถึงไอ้ร่างกาย เอออย่างนั้นเข้าท่าก็เรียกว่าสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ไม่ชัดเจนแล้วบุญมันไม่บ่งถึงปรมัตถ์ไม่บ่ง โรงงานประจบัติปฏิบัติเป็นบุญเพื่อจะออกจากภพกามภพเป็นภพแรก dekar somati, jik, gav hon, hon, han, prästbart, ham, prästbart, jik, ha, dig, kun, orkar, gam, or, or, kan, abai, ja, pu, ma, pen, ton, ljud, hon, orkar, vong, voni, ma, vön, ju, nei, lok, ham, lok, abai, nån, ik, la, ni, pen, ton, gav, ljud, hon, or, pen, or, or, or, or, or, or, or, or, or, or, or, or,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 คนจะดับสมุทัยได้เป็นโลกนิโรธคนไปก็หยุดวนเป็นชั้นสูงขึ้นเป็นภูมิใหม่นะ Bovn, att vi förstår och läser ut det verkligen, att vi fortfarande är i en vi har känslor och känslor som kommer in i vårt sinne, att de inte är avskurna, att de fortsätter att komma och gå och komma och gå och komma och gå. Läs det tydligt och noggrant, speciellt när det är en verklig känsla, inte en minneskänsla, och när det är en känsla som har en grund i เสร็จแล้วพอผัดปุ๊บก็เกิดทั้งจิตเลยอ่านจิตออกเลยว่าอาการเราจะเป็นโรค มันหมดมันไปหมดไปหมดไปจางคลายไปนะๆก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนจากถิ่นที่เราต้องเป็นนั้นเท่าถือ เทวดาโลกุตระนี่คือทําให้จิตมันลดตัวเหตุสมุทัยเสร็จแล้วก็สูงขึ้นเลื่อนตายกับคําว่าหลุดพ้นนะคือกิเลสตายลง ก็เป็นจุติขึ้นไปสู่ภูมิใหม่ถ้าเข้าใจสภาวะนั้นที่อาตมา หรือเรียกว่าเนกขมะอ้าวออกไปจากภูมิเก่าเลื่อนไปสู่ภูมิใหม่นั้นจน หมดเก้งเลยก็อ่านอ่านความเป็นเราที่มันมีกิเลสต่างๆนี้ว่ายังไงนะเพราะงั้น การเกิดของสัตว์อุปปาติกะเกิดของจิตเกิดขึ้นนะเกิดว่า เข้าฌานเข้าสมาธิหรือออกจากฌานออกจากสมาธิฟังภาษาตรงนี้ ก็ไปรู้สภาวะสมุทัยตัวรู้เหตุแล้วก็จัดการกําจัดเลยอภิสังขารทํากําจัดบุญญะคําว่าบุญญะบุญญาภิสังขารนี่ สำเร็จฌานพ้นออกจากฌานเดี๋ยวออกจากเลยนะเพราะงั้นแต่ไปเป็นวงวนของโลกีย์เข้าฌานคือเข้าไปสู่นั่งสมาธิสงบแล้วก็จากสมาธิในภวังค์ออก är en gammal. Det kallas att komma ur en vanlig chans. Det är logika. Det det. Om logikerna kan göra så kan de göra sig fri. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. พอจำระได้ก็ทะกะหลุดพ้นลึกออกไปจากภพเก่าภูมิเก่าไปสู่ an gått där, dabb giljed där, ut ur nirod, ut ur det här, slutat jutisur fullmäktig, är tevada, tillbaka är visstiteth, tevada högsta, ut är ut, inte tillbaka, inte tillbaka, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut, ก็เลยเก่งชนเก่งสมาธิชํานาญเฉย Men แต่ไม่ได้เลื่อนภูมิเลื่อนฐานะอะไรอธิบายภูมิอธิบายฐานะว่ามันเลื่อนอะไรตรงไหนความหมายชัดๆไม่รู้รู้แต่ว่าจิตเก่งทําฌานชํานาญทําสมาธิชํานาญจิตทําได้เร็วทํา เพราะฉะนั้นการความหมายของคําว่าฌานสมาธิฌานหรือ ปฏิบัติ 4 ปฏิบัติ 4 มี 4 6 ตึงตาอยู่หู 6 เปิดรับวิถีนะพอปฏิบัติ อ่านวิตตกตกปิตกะทําให้ละลดจางคลายดับได้ปฏิบัติฌานได้ชําระได้ประหารได้หมดกิเลสได้แล้วจิตก็แข็งแรงขึ้น är en, är tätta, är samband som full, söker söker nytt, följer ordning, till slut, de som pratar, till med, gör med, som är, som inte förstår, vi får observera, vi går och pratar med de som pratar, med de som gör med, pratar, gör med, pratar, gör med, pratar, gör med, pratar, gör med, pratar, gör med, เขาจะรู้ได้ว่าเออนี่เค้ายังปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิอยู่แบบโลกิเท่าแบบโลกุตระเลยเพราะออกๆฌานเข้าฌานออกฌานสมาธิเข้าสมาธิสมาธิไม่ถึงนิโรธเข้าๆออกๆกันอยู่วนอย่างนั้นน่ะ มันจะทรัพย์ภาษาเรียกว่าเข้าแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายว่าเข้าไป หรือออกไปหลุดพ้นลงไปวุทธานน่ะความหมายก็เลยมันๆพูดคุยกันกันคุยถึงเรื่องฌานเรื่องสมาธิ ยังเป็นอยู่แบบโลกุตระข้อไปเป็นหรือว่าเค้าปฏิบัติเออปฏิบัติเป็นโลกุตระนะหลุดพ้นจากขั้นต่ําสู่ขั้นสูงขึ้นหรือวิโมกออกจากกิเลส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 พอร์ตมีสภาวะพูดถูกต้องเป็นโลกุตระอ๋ออันนี้เข้าสู่โลกุตระ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 วนในภพภูมิๆจนจบมาถ้าผู้มีภูมิมีสภาวะจริงจะพูดได้เป็นภาษาไทยๆ มันจะทัดคุยกันจะรู้เรื่องเลยเราก็พูดคุยรู้เพราะปฏิบัติก็ไม่เป็นไปตาม <c oughs> <c oughs> แม้จะไปไป 8 ไปเลยโอ้ไปยิ่งไม่รู้เรื่อง ไป, ไป. ไป 8 ยิ่ง พูดที่เป็นโลกิยะเนี่ยเออมีมั่งไหมถ้าเค้า poört på, poört här, är lån, lån, lån, lån, nivå, detaljer, detaljer, uppåt, ska du veta vad? Oh, han mål vunnit, är en typ itti, itti, parthian, attesda parthian, han ska inte gå på, ska inte gå ner av, av, att vara en anussaner parthian, som ตามคําสอนพระเจ้า du kan höra hur det är. Det är en stor Det är en stor sak. Det är en stor sak. Det är en stor sak. Det är en stor sak. Det är en stor sak. är en stor sak. Det är en stor en stor sak. är en är en är อัตตาคนเดียวนี่รู้สึกนี่พวกเราเต็มหลานในรามิตรขึ้นมาเต็มหลานเป็นชาวโลกอุตระด้วยกันเต็มหลานที่เนรมิตเป็นคนได้นะเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเนรมิตอย่างนี้เป็นคนแล้วก็ Möngen mot, nata, möngen mot, prpp, trongan, pennlokutorat, daj möngen. Nila, temlan, daj, möngen, rujak samutaj, rujak akusson, lägga, tsamrakkilet, nandag, jang, nidag, jag måste lära mig att göra det här. Det är inte så lätt. Det är inte så lätt att göra det här. Det är inte så lätt att göra det här. Det är inte så lätt att göra det här. Det är inte så lätt att göra det Det är att göra det här. Det är inte så lätt att göra det här. Det är inte är inte ข้าไม่ตายสักทีเนรมิตขึ้นมาโอ้โหๆๆๆโอ้ยอัตมาวะเปราะที่ไหน <c oughs> คนแก่มันแวะไปอธิบายประกอบนิดหน่อยไปในระบิดเช่นไส้บาๆเค้าแจกแจก ขวานโนนี่นี่มาแจกเค้ามีค่านะมาแจกก็ตมาเออเนรมิตอย่างงี้ได้ก็ดีเนาะทําไมไม่เนรมิตให้รัฐบาลมึงเนรมิตทองคํามาโอ้โหเนาะมาสัก 2 หลัว 5 หลัวเนาะเนรมิต ทำเอียงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเสกตามาเคยอธิบายไปหลายอย่างแล้วใส่บาบเนี่ยเนี่ยละมิดละกะนาฬิกาโรเล็กซ์โรเล็กซ์เด้อนะปุ๊บเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์เออ โดนเลขเข้ามาซื้อมาเปล่าเอาจากไหนถ้าคุณสร้างขึ้นเองคุณไปปลอม det? น่ะให้มึนยังไงคุณก็ทําของของปลอมของ Narikar Rolex, matjäk, det här i det vi har? Vad har? Vad är det vi har? Vad är det vi har? Vad är det vi แต่ชาติๆอยู่แค่นั้นทําไมเยอะเก่งยิงไม่ออกฟันไม่ๆมี โอ้ประเทศไหนไทยประเทศไหนที่มีแปะๆๆยิงๆทนๆไม่ คน 28 นี่มันวิ่งหนีแล้วทิ้งปลวดทิ้งๆยิงไม่ 28 ยัง 28 มันยิงไม่ออกนี้แล้วสัตติ ยิง 882 ทียิงออกรีบก็งงเฮ้ยเออปืนมันเสีย คนมันต้องกลัวแน่นอนถ้ามันทำไม่สำเร็จต้องกลัวแน่นอนถ้ามันเฮ้ยก็มีดพรานอาวุธเรานี่มัน ก็ไปให้อาจารย์เนี่ยมาโอ้คือมันหลอก มันมีเรื่องได้เรื่องเป็นคนได้คนมีคนเป็นมันก็เป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนไปเป็นธรรมดาธรรมชาตินะอย่างคนมาเอ่อคราวนี้ก็มาขอของดีจะไปรวยจะไปรวยไอ้คนเหล่านั้นมันก็ไปคนรวยก็มี <mulana> บางคนอยู่จนตายก็ไม่รวยแต่ไอ้คนรวยมันก็รวยเพราะบางคนมันจะต้องรวยคนมันก็ทํางานคนก็ต้อง <tryk> ส่วนใหญ่ มันไม่มีจะก็ไม่รู้ว่าอีกแล้วถอยไปถอยไปถอยไปก็ว่าก็มันถ้าได้ที่ครั้งอันนี้มา ก็จะต้องมาทดแทนถ้าประรวยแล้วไม่มาทดแทนมันก็ยิ่งจะหายไปเลยแต่เอาละคนมาบรรลุลงมาถ้ารวยแล้วจะมาแก้บรรลุทดแทนเพราะฉะนั้นคนที่จะ คือคนมายืนยันว่ารวย 1,000 คนมัน 10 คนอีก 90 คนมันไม่ได้มันก็ไม่มามา คนก็เลยเจอแต่คนที่มันได้ไอ้คนคน คน, 10 ทีแล้วไม่ได้เลยมันก็ได้คนคน 3 ทีนะได้บนมา โปรโมงนี้ก็เลยขลังต่อมายตอนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นไม่ใช่เรื่องปรัชญาตรรกะอะไรไปมาคนไม่ได้ คนที่ไม่เคยเชื่อถือมันก็ไม่มามา เพราะฉะนั้นทํามียิ่งมีแต่คนรวยมันขึ้นมือดีความสามารถสูงคนรวยใช่มั้ยมันขึ้นมันก็เลยยิ่งเป็นตัวเรียกแขกอย่างเก่งเลยใช่มั้ยคนรวยคนชั้นสูงอะไรมัน อ่าอาจารย์คนนี้นี่ๆแล้วนี่พวกเราเข้าใจชัดเรื่องโลกุตระแล้วเราดีไม่ดีอาจารย์ <c oughs> อาจารย์พาจนเลยอาจารย์พาไม่มีอำนาจไปเบ่งอะไรได้ มันได้ได้มันเหงีเกลิมะกอกเคาะหัวให้ไปเบ่งบางคนละเรื่องกันเลยนี่แหละความสุขความสงบ เพราะท่านไม่รู้ความจริงของโลกุตระ <c oughs> เพ 8 แบบอธิบายๆแล้ว อธิบายนิโรธอธิบายนิโรธอธิบายนิพพานอะไรก็แล้วๆ <Joker, gates>. <cl> <way> อย่างวิชา 8 เป็นต้นเงี้ยนะแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องของรูปของนามนะไม่รู้อย ยึดถือคนแต่ละทางถือกันแต่ละทางนะกายข้างกายของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงสรีระๆที่ว่า ในหลัก 230 ในเล่ม 16 เนี่ยเอ้อไม่ใช่ 16 ข้อ 230 ที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเปรียงเลยว่ากายอย่าง กายนี่หมายเอาข้างนอกด้วยนะแต่ชัดชัด เห็นจิตใจจริงๆเห็นจิตใจจริงๆอ่านจิตใจ เป็นสภาพที่เป็นองค์ประชุมของทั้งนอกและในอยู่เรียกว่ากายในกาย Punkten ju, sankan ju. Kå sankan dal, me me he, to nan to nan. He, to nan lak, sana nan to nan. Tila man. Gör jak, he, bajaj, to, tippen baj, he, baj, lak. Tja, baj, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, ชอบรูปนี้ชอบเสียงนี้อย่างนี้รูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้สีอย่างนี้ ทำปฏิบัติไปแล้วมันลดมันละมันเข้าเกณฑ์เข้าเป็นแล้วมันก็เห็นของจริงว่าจิต เหมือนฝั่งทะเลละเอียดไม่คลกๆแก๊กๆ เพราะเราจะรู้กายโดยเฉพาะกายมันก็คือจิตมันก็คือเวทนามันก็คือจิตคือธรรมะจะไม่งงเลยจะไม่สงสัยเลยว่าเอ้า ทำไมมันต้องมีทั้ง 4 อันหนึ่งเดียวเป็นทั้ง เอ่อฉักพอจําได้แล้ว 8 ด้วยโอ้โหตัวนี้ บุคคลบุคคลกายสักขีบุคคลปัญญาวิมุตติก็ดีกายสักขีก็ดีขอวิจารณ์ตรงนี้นิดนึงเถอะ คือท่านที่ไม่ต้องสัมผัสวิโมก 8 เนี่ยเป็นคําอธิบายขยายความไม่ได้เป็นคําตอบคําของท่านนะคําแต่ อาสวะของผู้นั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลผู้นี้เรียกว่าปัญญาวิมุตตินะซึ่งวิมุตติ 8 ด้วย อาสวะของผู้นั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียก สังอาสวะของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้วคือตรงกัน แล้วก็มีคําว่าโคอาตมาไม่เก่งบาลีนะคําว่าโคนี่ต้องมี เพราะบุคคลผู้นี้เนี่ยเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะปัญญาวิมุตติคนนี้เนี่ยอาสวะของผู้นั้นสิ้นไปแล้วเหมือนกันกับอุปปโตภาควิมุตตินะอาสวะทั้งอาสวะของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้วอ่าท่านจะแปล แต่มันมันแปลแปล 8 ด้วยกายแล้วสําเร็จอริยบรรลุนี่เหมือนกับหมดทุกคําทั้งต่างตรง จึงวิโมก 8 ด้วยกายสําเร็จเอลียบดอยู่แต่อาสวะของถึงเงื่อนไขหลักเลยว่าผู้นี้เป็น ว่าถ้าอาสวะของผู้นั้นสิ้นไปแล้วผู้นี้ก็เอ่อแต่อาสวะของผู้นั้นใช่มั้ยแต่แต่ซึ่งวิโมกข์ 8 ด้วย สำเร็จในบทอยู่ถ้าเผื่อต้องไม่ได้สัมผัสวิโมก 8 ได้กายแต่ท่านอาสวะ ปฏิบัติต่างกันกับกายสกขีหรือ 8 ด้วยกายตรงกันกับอุปปโตภาค ทั้งอาสวะบางอย่างของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้วเอกัจเจได 8 ได้กายต้องถูกต้องต้องมาสัมผัสวิโมก 8 ได้กาย เหมือนอุปปโตภาสวิมุตติต้องมาถูกต้องทีนี้ไปบอกว่าปัญญาโคเนี่ยมันไม่น่า Måste, måste sampan vimo 8000. Måste gla, måste prata. Nå, att vimo. Hoppa nu ni, att det är slut. Det är en glöd. Det är en glöd. Det är en glöd. Det är en glöd. Det är en glöd. Det är en glöd. Det en glöd. Det en glöd. Det en en en นะอย่างเก่งก็ได้อาสวะบางอย่าง 8 ด้วยกายและถูกต้องถูกต้องรู้สัมผัสนี่ก็คือพุทนั่น เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ที่มีสภาวะขออภัยอย่างเพ måste vara enligt sammanhanget. Det är inte enligt sammanhanget. Det är inte song. sammanhanget. Det är inte enligt sammanhanget. Det är inte enligt sammanhanget. Det är inte enligt sammanhanget. Det inte enligt sammanhanget. Det är inte enligt sammanhanget. Det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 อาสวะสินได้แต่ไม่ได้เจโตสมตะ 7 มาอธิบายเลย ยังสมาธิทิไม่พอต้องใช้กามให้พอเพราะว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะใช้มิจฉาทิฏฐิเลยก็ได้แต่ว่าเอาแค่สมาธิทิ ธรรมะของพระพุทธเจ้าตามๆได้ไปได้ธรรมะไปเป็นสัตถาวิมุตติเป็น 8 ด้วยกาย เพราะถ้าเผอเพ 8 โดยเฉพาะข้อ 2 เนี่ยอธิบายเพิ่มนะถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้แต่เจโตสมตะเพราะฉะนั้นคําว่าโลกุตระจึงไม่หมายเอาเจโตสมถะโลกุตระ คนที่ เพราะเข้าใจคํากายไม่เป็นนอกเข้าใจคําว่ากายเป็นร่าง ก็ต้องสมาธิทิพอหรือเต็มเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิทิพอหรือเต็มก็มีวิโมก 8วว8 ได้กายคือนี่อาตมาวะนะเฮวะโคอะไรเนี่ยอาตมา ก็ไม่ต้องประกลาไม่ต้องมาใช้คํานี้มา 8 มาตามลําดับกิเลสก็ ปัตตะแปลว่าการมันชัดถึงแปลว่าการบรรลุบรรลุตามทิฏฐิหมายความว่าทิฏฐิมันสัมมานะมันชัดทิฏฐิ ไม่ต้องกล่าวประโยคนี้เลยทั้งประโยคนะเพราะงั้นคําว่านะเหวะโคเนี่ยมันต้องความหมาย คำสอนพวกนี้มีอยู่ครบเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติที่ไม่สมาธิเอออาจจะอาสวะบางอย่างสิ้นได้ ชัดเจนว่าถ้าและก็รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งสมบูรณ์แล้วอาสวะก็สิ้นไปก็มี จะมีการปัฏสติหรือปัฏ 8 เป็นเครื่องบ่งชี้ชัดเป 8 สมบูรณ์ทั้งนอกและ 8 คืออะไร 1 รูปีรูปานิปัฏสติ 2 อัจจตังอรูปสัญญีเอกโกก็ได้นะบางเล่มบางปฏิปทกบางบางสูตรมีเอกโก ท่านรูปีย่อมเห็นรูปทั้งหลายปัจัสสติเห็นนะเห็นนะปัจัสสติเห็นเห็น องค์ประชุมของวิญญาณเป็นวิเคราะห์ออกจับตัวสมุทัยได้กําจัดตัวสมุทัยได้นะเห็นอย่างข้อ 2 ผู้ไม่มี ถ้าแต่มีคําว่าเอกโกท่านจะแปลว่าผู้หนึ่งไม่สําคัญไม่มีความสําคัญในรูปภายในท่านแปลว่างั้นแล้วเอกโกท่านก็ ภิกขิตาก็แปลว่าภายนอกไม่ใช่ และเห็นรูปลึกซึ้งเข้าไปกําหนดรู้สัญญีสัญญาณแปลว่ากําหนดรู้เป็นความรู้ความรู้สึกสัญญีสัญญาเพราะท่านแปลตามพยัญชนะท่านก็ไปตัดความว่าอะ ไม่มีความสําคัญในรูปแล้วก็เหลือรูปใช่มั้ยรูปภายในเอาคําว่ารูปไปขยายไม่ ความเป็นอาตมานั้นต่างกันผิดจากกันและกันเท่านั้นเองอาตมาเห็นว่าสัญญีนี่เป็นสัญญาเอาใช้ใส่ความกําหนดรู้อันนั้นได้ไปถึงขั้นแม้ เพราะฉะนั้นถ้า 3 ผู้ที่น้อมใจเห็นว่าเป็นของงามสุภะนี่แปลว่า จัดดีไปถึงที่สุภะงามไปงามสุพระแปลว่าสิ่งที่น่าพึงได้หรือเป็นโชคของผู้ปฏิบัติสิ่งที่ är atti atti sikkar, är atti sikkar, inte bara atti sin, atti jitt, atti banya, atti mutto, är är atti jitt, atti jitt, atti det är en tid med tanke. Tanke på att det är en tid med tanke på att det är en tid med tanke på att det är en tid med tanke det är att det är en att det är en tid är เพราะปยัญชนะของบาลีมีแก่สุพันเทวะอธิมุตโตโหติไม่มีปัสสติเลยนะท่าน ทิศทางหลุดพ้นทิศทางจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ไปที่สุดจิตน้อมไป เพราะฉะนั้นผู้ที่แปลแล้วอาตมาก็ฟังคําแปลนี่ก็ขออภัยที่ต้องกล่าวความจริงก็เห็นว่าท่านเองท่านไม่ อาตมาก็อาศัยพระเตกปิฎกที่ท่านแปลๆกัน ภาษาบาลีไม่ตรงไวยากรณ์ไม่ตรงกับที่เขาเรียนมา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 ท่านได้พยายามพักพี่ก็ขอบคุณท่านจริงๆขอบคุณท่านอยู่ที่ อาตมาอธิบายแตกต่างก็ดีพึงเอาไปพิจารณาซึ่งอาตมาก็มั่นใจหรือ นอกจากเข้าใจแล้วก็ได้เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วจนกระทั่งเห็นผลจริงคนที่ปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลนี่ไม่นานเท่าไหร่หรอกก็หายไปจากไปเพราะมันไม่ได้มรรคได้ผลเท่าไหร่แต่ถ้าได้มรรคได้ผลแล้วจะอยู่ผู้มีมรรคผล อย่างนั้นอย่างนี้หลายอย่างทําใหม่ๆก็ยังรู้สึกว่ายังเอ๊ะมัน ที่คนไม่ได้มีมรรคผลเนี่ยจะเข้าใจยากเพราะฉะนั้นจะจะทนอยู่ได้ยิ่งมีมรรค ศึกษาโดยกันอีกอย่างนั้นเลยน่ะจะชัดเจนน่ะยิ่งเห็น ถ้าแต่แปลว่าผู้ที่มีมรรคผล <c oughs> เห็นภาษาไทยเสียงสัมผัสคุณก็เห็นสัมผัสเสียงมันต้องรู้อาตมาใช้ภาษาไทยเห แล้วก็รู้จริงๆเลยก็รู้จริงๆเลยเข้าใจจริงๆว่ายังไงเป็น จนมันถูกต้องสมบูรณ์เลยกว่ารู้จริงรู้จักรู้ก็เป็นนามธรรมยิ่งยิ่งตามนิโรธอนุปัสสี ซึ่งท่านตัดยืนยันเอาไว้ในอานาปานสติสูตรนั่นน่ะซึ่งขยายความไว้ชัดในอานาปานสติสูตรไม่เที่ยงนี่มันก็เข้าหลัก ตัวจริงตัวองค์ประชุมวันนี้แหละแล้วก็จับตัวกายะของกิเลสตัวตนของกิเลสตัวเห็นว่า Mannen har en kraft av kunskap, en kraft av kunskap, en visskapskraft, en kraft som är en kraft som är en kraft som är en kraft som är en som är en kraft är en kraft som är en kraft som är en kraft är en kraft นึงไม่เที่ยงประมาณมากขึ้นมากขึ้นท่านเรียกว่าปุถุถ้าจางคลายท่านเรียกว่าอ่าอริยะถ้ามันมากขึ้นท่าน <c oughs> มันไม่เที่ยงไม่เท่าเดิมไม่คงที่เพราะมันอ้วนขึ้นโตขึ้นสูงขึ้นบ่าบากขึ้นหนาขึ้นซึ่งเป็นความแปรเป็น <html>คำ หมายของ ก็ปุถู่แปลว่าหนาเป่ามากอะไรหนาอะไรมากกิเลสกิเลสบางคนที่เห็นกิเลสหนากิเลสโตขึ้นโตขึ้นแล้วรู้จริงเห็นจริงเลยว่าโอ้โหอาการกิเลสเราจัดขึ้นหนาขึ้นนะคนนั้นแหละเป็นผู้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะเป็นปรมัตถ์ผู้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา <Nun> <Nun>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 มีมรรคองค์ 8 อ่ามีกรรมกิริยามีข้างนอกข้างในมีกายมีจิตมีจริงๆเลยก็ยิ่งเลยเห็นบ่จางคลายๆเลยเป็นความจริง ตัดๆเลยจานคลายก็เห็นมันดับได้นิโรธกิเลสดับจริงทําได้ดีขึ้นเด็ดขาดขึ้นสมุติ nu pratar vi om att det är en bra idé. Vi pratar om att, shelf감, att de är det är, Hell, det är, äh det är en bra idé. Vi pratar om att det นิสสระณะไม่จะปนิตปฏิปัตติปสัตติปหานะกับ 5 วิคัมภนะก็คือกดข่มต้องอาศัยเพราะกดข่มนี่มันเป็นเป็น ต่อหน้าคนใครจะไปแสดงกิเลสอะไรออกมาให้มันเปิด måste vara en känsla som är en känsla som är en känsla som är en känsla som är en är en känsla som är en känsla som är en är en är en känsla som är en en känsla som är är en känsla som är en känsla som är en känsla som en känsla som är en en känsla som är en en en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 จึงรู้จักตัว 8 หรือวิธีที่องค์รวมของอริยสัจ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 เป็นความสะอาดของจิตนะเมื่อกิเลสมันหมดจดออกไปจากจิตเป็นความผ่อง มันเราจะเอาเอา โลกิยะอันเนี้ยอาการอารมณ์ของโลกิยะอารมณ์สุขพอใจๆนี่มันไม่ๆสมๆก็ไม่มีไม่สุขไม่ทุกข์เลยคําว่าอุเบกขานี่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 มันอิ่มไปหรือว่ามันไม่ต้องการอยู่มันก็มีเป็นอารมณ์บางครั้งแล้วมันก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทรงปัดไปก็ไม่สุขไม่ทุกข์หรือไม่ตั้งใจปรุงแต่งนะเช่นเราไปจิตมันไปเรื่องอื่นอยู่มากเรื่อง det komning till och med att äta maten blir klibbig man det. Men så är inte lycklig, inte uppskattad, inte uppskattad. Det är inte så att man är lycklig. Det är man är uppskattad. Det är inte så att man är uppskattad. Det är inte så สิงๆนะเพราะงั้นสิ่งที่เคยพาสุขมันก็ไม่สุขนะมันก็เป็นการพักยกอัตมา แบบเกหสิตะแล้วมัน 3 ของโลกีที่ท่านแยกเป็นมโนปวิจาร 108 ที่ท่านแยกมโนปวิจาร 18 คือจาระวิจาระเป็นพุทธิของจิต เพราะมันสมณัฏฐ์ก็เป็นโลกีย์โทมนัฏฐ์ก็เป็นโลกีย์ก็เรียกเคหะสิตตะสมณัฏฐ์เคหะทั้ง 6 ทวารเนี่ย 6 อายตนะเนี่ย 18 บางท่านก็แยก โลกิยะโลกุตระออกอย่างนี้อาณาการออกจริงๆและแยกออกจริงๆคนนั้นเลย Känner sig, sommarna, tommarna, obekar, man tanker, som öra och lotkilet, nej. När jag är sommarna, kan de, tommarna, kan de, obekar, kan de. De har inte obekar, men de är inte jobbat med munkar. De har inte jobbat med munkar, de har inte jobbat med munkar. De har inte jobbat med munkar. De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 การทําอย่างซึ่งภาคเพียรอยู่ยังไม่เป็นเองยังไม่เรียบร้อยยัง แต่ได้ เมื่อก็นักจักรยานโอ้โห 6 กม. เมติลังกาธรรมชาติไม่ต้องระวังไม่ต้องไปคอยทําอีกมันเป็น ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นปกติยังต้องฟื้นต้องต้องบากต้องฝึกต่อ น่ะมันมีคุณสมบัติลึกซึ้งละเอียดใช่มั้ยทําให้มันพองไส้ แต่มันสะอาดมีนัยยะละเอียดมันบริสุทธิ์แม้จะปฏิบัติไปอีกก็ยังบริสุทธิ์อยู่กระทบกระแทกกระเทือนอ่าทํางานอะไรขึ้นอีกมันก็ยังสะอาดอยู่อีกก็เก่งขึ้นอีกเจริญขึ้นอีกจิตก็ เห็นอาการของมุตตตาอาการของความแวว เป็นความคร่องแท้ของเวทนาสัญญาสังขารที่มัน 3 ตัวนี้เป็นผัสสะเป็นเจตนาผัสสะมนสิการส่วน ตัวเจโตก็ปรับได้ง่ายดัดเด้งได้อนุโลมก็ได้อ่าจะไม่อนุโลมจะแข็งแรงก็ บํารุงง่ายสุโภสันะบํารุงง่ายพัฒนาง่ายขึ้นเรื่อยๆนี่คือความพัฒนาเจริญของอุเบกขาธาตุที่ bara jagam, är en kan kan kan ปริโยทธုတ်ปริโยทาตามุตทุกกัมมันยานี่เป็นตัวเจริญนะปริโยทาตามันก็พุทผ่อง ทำอีกทำซ้ํารักษาผลอนุรักษณาประทานอาเสวนาภาวนาพหุริกรรมังทําซ้ําทําอีกทําอีกให้มันเกิดผลอย่างที่ได้นี่แหละทําให้ är i dag, i dag. Därför i väggena 108, gjort det och har nått till steg 3, måste vi göra i dag, för att få en ålderdom i dag som är en källa till en källa till en källa till en källa till en källa till en källa till en källa till en källa till en källa till en en sankaruppeka, med jaran i rådskaplängs hög, är en länge bryta som skapar uppeka i alltid, i sängar och lög, får allt. ska vi göra eller utanför, det ความเจริญของสังขารรูปเอกขายานพลังของจิตมันสูงทั้งพลังปัญญาพลัง ขยายจากหลายมาเป็นหนึ่งเดียวก็ได้เก่งเนาะคนเล่นเชิงเบา อะ? <c oughs> ที่อาตมาสรุปวิธีการของบุญเพราะงั้นลัทธิบุญหรือบุญนิยม เพราะจะไม่ชัดเจนในสภาวะของบุญกับบาปเพราะจะไม่ชัดเจนในคําว่าบุญกับบาปไม่ <c oughs> นะเข้าไม่ถึงประมาทจนเป็นที่สุดได้จึงจําเป็นต้องชัดเจนชัดจริงที่ฟังแล้วพวกเราฟังไปๆว่ากุศลน่ะเป็นๆ เป็นโลกิยะด้วยทกุศลใดที่มันสามารถความเออมันเกิดบุญละกุศลนั้นเป็นบุญแต่บุญ แต่บุญนั้นมันไม่ได้อะไรทําสําเร็จได้เป็นผลมันไม่ได้ น่าเบื่อเบื่อมั้ยพูดเอาจริงใช่ถ้าคนเราสําคัญในสิ่งสําคัญแล้วเห็นสาระเป็นสาระยินดีใน ธรรมรสไม่เบื่อมันเป็นรสแห่งธรรม หรือชินๆมันกินหลายๆครั้งหลายคราวหลายครั้งซ้ําๆหลาย ไม่เบื่อนะจะซาบซึ้งจะลึกลึกเข้าไปในใจประงันผู้ที่ๆได้ หรือเจริญด้วยลาภได้ยศได้สรรเสริญโลกิยสุขที่เป็นเพียงโลกิยไม่ ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องนะคุณไปนั่งหลับตาสมาธิ 7 เจตปุจฉาทนตรมัน เหตุมันต่างกันผลมันก็ได้ต่างกันเหตุที่พาปฏิบัตินะเพราะมนสิกก็ต่างทั้งๆที่มนสิกา <นะ. S 1> ไม่ใช่ปัญญามันตัวทำใจในใจมันตัวทําใจในใจสัญโญนิโสสิปัญญาโยนิโสนี่คือปัญญารู้รู้มั่นรู้แม่นรู้ถูกต้องเห็น กระทำกับใจเป็นเจโต 5 ขอขยายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณองค์ แจกวิญญาณออกเป็นเจตสิก 3 เป็น ต้องมีเจตนา 1 ต้องมีพัสสะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเจตนามโนสเจตนาที่จะไม่มีพบจะ นะแล้วคุณต้องการะคุณต้องทําการคุณต้องกระทํากับมันปฏิบัติกับมันถ้าไม่ แล้วเราก็เจตนาเป็นวิภวตัณหาเป็นเจตนาตัวที่จะดับภพ ชัดเจนเลยเมื่อด้วยรูปแล้วก็ 28 นี่แหละไม่ได้ทิ้งมหาพุทธรูปยังมีเป็นองค์ แล้วก็ไล่หลายๆๆๆทีนะผู้ใดฟังแล้วไม่รําคาญไม่เบื่อแลแลแล 10 ตอน 20 นาที 9 นาทีแล้วนะก็ๆที่เอา ให้เห็นว่าความเป็นมนัสสิกการความกระทําใจในใจความสังขาร เมื่อจำรักกิเลสเป็นจริงๆกิเลสว่าจะหมดกิเลสในตนหมดกิเลสแล้วแต่ให้เราเห็นว่ากิเลสเราคืออะไรกิเลสเราหมด ในตัวเองเพราะคนผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมอนุชามากๆเห็นๆรู้ๆมีจริงยืนยัน ก็จะขยายความกับผู้อื่นได้ด้วยเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีต้นไม่มีร่างเนี่ยเพราะงั้นเมื่อเรามีของจริงเราได้วิมุตติเรา เพราะจะรู้เลยว่ามันง่ายๆใครก็มันจะมารู้ได้ด้วยเราของ ไม่แปลกนั่นไม่งงไม่สงสัยไม่ไม่เป้ไม่ไปไม่อะไรเนี่ยใครนะว่ามันเป็นนะด่าจะว่าอะไรนี่เค้าสงสาร ไอ้ตัวอาตมานี่บะบาๆนะเพราะมี พอมีจริงมีสภาวะนั้นจริงจริงเพราะตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาพูดชัดพูดลึกพูดกระแทกกระทบเอาหลักฐานเอาพัดพิดกเอาเพราะ มักผลหรือไม่มีความจริงน่ะยิ่งเจ็บยิ่งโกรธยิ่งถือสาแต่ผู้ เครื่องเครื่องวัดได้ว่าอาตมาชี้มากขึ้นพูดแรงพูดตรงพูดแข็งอยู่ มีอยู่หลายคนอยู่ได้คนคนนึงเข้าคุกไปแล้วสะอาดจันดีนอกนั้นยัง ได้อะไรทําไมหมดเวลา 2 ชั่วโมงแม่นี่พูดอะไร